4.2 โลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ถ้าเจริญสติจะมีภูมิต้านทานความทุกข์พวกเราแต่ละคนอยู่กับโลกโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์สังเกตดูโลกมันไม่เคยหยุดนิ่งโลกไม่เคยมีความสุขที่แท้จริงเลยสำรวจชีวิตของเราดูนะชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งใดที่เราเรียกว่าความสุขมากที่สุดลองทบทวนดูสิ่งที่เรียกว่าความสุขมากที่สุดก็ล้วนแต่ผ่านไปแล้วทั้งนั้นมีขึ้นมาแล้วก็หายไป มีขึ้นมาแล้วก็หายไปเราก็ดิ้นรนค้นคว้ามาได้ความสุขมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็หายไปอีกแล้วเนี่ยทั้งโลกเป็นอย่างนี้นะปัญหาวิ่งเข้ามากระทบตัวเราเหมือนคลื่นในทะเลวิ่งกระทบเรืออยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเลยหมดปัญหานี้ก็มีปัญหาโน้ น, นรออยู่บางทีมาหลายๆปัญหาพร้อมกันนะทนไม่ได้เป็นบ้าไปทนไม่ได้ฆ่าตัวตายไปเนี่ยเพราะว่าจิตใจไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งที่อาศัยหุ้นจะตกใช่ไหม น้ำมันจะขึ้นอะไรอย่างนี้ข้าวจะแพงเรื่องคลิดเครียดทั้งนั้นเลยรถติดเนี่ยแค่มาฟังทำก็ต้องแย่งกันแทบตายเครียดนะจะได้ที่จอดรถหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเอารถไปจอดที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเรื่องเครียดทั้งนั้นเลยนะชีวิตเต็มไปด้วยความเครียดชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เราอยู่บ้านดีๆบางทีก็ถูกเวรคืนเดี๋ยวก็โดนเรื่องโ น, น้นเดี๋ยวก็โดนเรื่องนี้เดี๋ยวก็ลูกติดยาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวแฟนมีกิก๊กดูสิ ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาเงินเดือนเยอะไปเขาก็ให้ออกจากงานเนี่ยมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราไม่แน่เลยบางคนทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะวันดีคืนดีเป็นมะเร็งไปอีกแล้วคนเป็นมะเร็งเยอะนะทุกวันนี้เยอะมากเลยเพราะว่าพิษมันเยอะอาหารก็เป็นพิษอากาศก็เป็นพิษน้ําก็เป็นพิษจิตใจก็เป็นพิษทุกอย่างเป็นพิษหมดเลยเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนหัดเจริญสติไว้ หัดรู้กายหัดรู้ใจตัวเองบ่อยๆมันจะเกิดภูมิต้านทานความทุกข์ขึ้นมาวันใดที่ความทุกข์มันโผล่ขึ้นมาถึงจิตถึงใจเราเนี่ยสติปัญญานี่แหละเป็นธรรมะที่จะช่วยเราความทุกข์ผุดขึ้นมาปับ๊บสติเห็นปับ๊บมันขาดสะบ้นลงไปเลยจิตเป็นกลางพอจิตเป็นกลางนะจิตใจตั้งมั่นค่อยๆ ค, คิดแก้ปัญหาเอาสติเอาปัญญาไปคิดแก้ปัญหาต้องค่อยๆฝึกนะฝึกแล้วมีประโยชน์